ไม่ว่าเราจะทําอะไรเอากําไรให้ชีวิตเราไม่มีสติเล ย, ยจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะั้นก็เป็นการปฏิบัติไปหมดนะครูบาอาจารย์เคยสอนเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติตอนฟังท่านใหม่ๆได้ยินใหม่ๆไม่เข้าใจพอนานมานานๆแล้วเข้าใจแล้ว มีสติก็มีการปฏิบัติอยู่มีการทำความเพียรอยู่ทนะันทีที่สติเกิดนะกุศลที่มีอยู่มันดับกุศลใหม่เกิดไม่ได้ทนะันทีที่เราเกิดสตินะกุศลก็เกิดแลแล้วยิ่งมีสติบ่อยไปเรื่อยนะกุศลก็ยิ่งพัฒนาศีลนะ ส, สมาธิปัญญาคุณนะงามความดีทั้งหลาย มีพื้นฐานมาจากสติทั้งนั้นงั้นเราพยายามมีสติเรื่อยๆมีสติก็คือมีจิตใจอยู่อะไรเกิดขึ้นจิตใจมันอยู่กับตัวเราเองนี้ได้สมัครทีนะจิตใจเราอยู่กับตัวเราเองแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกตัวที่ค่อยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายของใจเนี่ยตัวนี้แหละตัวสติ มีร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกอย่างเรานั่งพัดเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวมันก็มีหยุดเหมือนกันแล้วเคลื่อนไหวเรารู้สึกเรื่อยเรื่สบายแต่ไม่ต้องแกล้งนะนี้เสียแรงพัดเปล่าเไม่เย็น พัดให้มันสบายให้มันสบายใจแต่ไม่ใช่พัดแล้วก็ใจลอยเราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกเคลื่อนไหวแล้วเรารู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูตรงที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาได้นี่เพราะใจมีสมาธิใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูร่างกายมันเคลื่อนไหวสติเป็นตัวรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เป็นคนดู ไม่อินไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้หลงเข้าไปในการเคลื่อนไหวปกติจิตของคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยแม้ว่ามันจะไปรู้อะไรนะมันจะไหลเข้าไปตรงนั้นเลยไปดูหนังแม่นก็ไหลเข้าไปในจอหนังจอโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยนะฟังเพลงก็อินเพลินไปกับเสียงอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปไมื่อเพลินไปในโลกของความคิด นีคือจิตที่ไหลไปทั้งส้นจิตไม่มีสมาธิไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังนะไหลไปคิดเวลายุงกัดเราหลังนั่งเพลินเพลินยุงกัดเจ็บที่แขนอย่างเงี้ยสังเกตไหมจิตเราจะพุ่งไปเลยพุ่งไปดูยุงมันกัดอย่างเงี้ยจิตน่ะไหลไปอยู่กับยุงบ้างไปอยู่กับจุดที่ยุงกัดเจ็บเจ็บบ้างคันๆอย่างเงี้ยนี่จิตมันเคลื่อนไปกระทั่งเคลื่อนไปในร่างกายนะ หลวงปู่ดูยก็ยังเรียกว่าจิตส่งออกนอกถ้าจิตเคลื่อนไปเมื่อไหอไร่ก็เรียกว่าจิตส่งออกนอกทั้งหมดเลยจะเคลื่อนไปไหนก็ตามแต่บางองค์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านแยกอีกอย่างหลวงผู่เทสเคลื่อนส่งออกนอกก็เคลื่อนไปที่รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆจิตส่งในเนี่ยเคลื่อนไปในตัวเองในกายในใจตัวเองหลวงพ่อก็เคยทาผิดนะ ได้ยินหลวงปู่ดูลว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็เลยส่งจิตเข้าไว้ข้างในไม่ให้ออกนอกเนี่ยทุกวันนี้มีคนสอนดูจิตแบบให้รักษาจิตอยู่ภายในนิรันดร น, นะเอาจิตเขาไปสงบอยู่ข้างในรักษาไว้ข้างในวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมนะแล้วเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยละกะกิเลสเกิดเราจะรู้มันเลยเจอหลวงปู่สิมแล้วบผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ย กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในพอฝังท่านทีนั้นก็งงๆนี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราเลยส่งเข้าข้างในนีม่หลวงปู่สิมมาบอกว่าไม่ให้ส่งเข้าข้างในให้อยู่ออกมาอยู่ข้างนอกฟังแล้วแมขัดแย้งมากเลยไม่เจหลงปุเทศนะหลวงปุถเทศต้องอธิบายไม่ส่งนอกไม่ส่งในรวมความคือไม่ส่งไปนั่นแหละจิตไม่เคลื่อนไปจิตจตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูถามหลวงปู่ดูอีกทีจิตตั้งที่ไหนจิตไม่มีที่ตั้งจิตอยู่กความรู้สึกตัวนั่นเองจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่เอาไปตั้งตัวเราอยู่ตรงไหนละ่ะที่บอกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวฟังเราดูเรื่องใช่ไ ห, ห้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอคิดน่ะว่าตัวอยู่ตรงไหนหาที่ตั้งไม่เจอ หลวงพ่อคงเคยภาวนาเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆนะตอนเด็กๆเล่นกับเพื่อนนีเล่นแบบเป็นธรรมะนะแต่เป็นธรรมะแบบขี้โกงวิ่งไล่จับกันมีกติกาว่าใครถูกจับตัวได้จะต้องเป็นคนไล่คนอื่นเราเป่ายิงฉุดไปเลยกันนะเราเป็นคนไล่ก่อนวิ่งพักเดียวก็จับเพื่อนได้มันเป็นคนไล่บ้าง เราวิ่งไล่มันเส้นเหนื่อยแล้วแต่ขี้เกียจวิ่งก็เดินช้าๆมันมาถึงโดดตะครุบคว้าแขนเราเลยคว้าข้อมือจับตัวเองได้ละเองต้องเป็นคนวิ่งไม่ใช่ตัวนี่มันข้อมือจับแขนเฮ้ยนี่แขนมันรัดอย่างนี้เลยเนี่ยจับตัวเองได้แล้วเฮ้ยนั่นมันเอวใช่แล้วมันเลยงงแล้วมันก็สรุปไอ้ขี้โกง น้อยมันเป็นธรรมะชั้นสูงมันไม่รู้ตัวมันไม่มีแข่งจับตัวนะไม่มีทางจับได้หรอกเพราะตัวมันไม่มีเนี่ยบอกจิตใจอยู่กันก็ตัวแล้วอยู่ที่ไหนตัวจิตไปอยู่ที่ผมเนอก็ผิดแนละ้วไอ้นั่นมันจิตอยู่ที่ผมไม่ใช่จิตอยู่ที่ตัวหรือจิตอยู่กลางหน้าผากจิตอยู่ตรงลิ้นปี่ตรงกลางหน้าอกจิตอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ตรงไหน จิตอยู่ที่รู้สึกอยู่เท่านั้นเองไม่ต้องไปหาที่ตั้งให้มันแค่คอยรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองที่มันผุดขึ้นผุดขึ้นมาผนะุดขึ้นมาแล้วก็หายไปหายไปแค่รู้สึกอยู่ภาษาโบราณนะดีนะไ ม, ไม่ลืมเนื้อลืมตัวแต่พอแปรและนะ้วก็หาที่ตั้งว่าตัวอยู่ตรงไหนหาไม่ได้ละเอาแค่ว่าอย่าลืมตัวเองรู้สึกถึงความมีอยู่ของตัวเองไม่ไม่ใ่ใจเลื่อนลอยไป ตรงที่ใจไม่เลื่อนลอยไปนะั่นแหละใจมีสมาธิตรงที่ใจเลื่อนลอยไปนะไม่ว่าจะเลื่อนลอยไปไหนนะก็คือจิตส่งออกนอกหรือจิตมีตัณหาหรือจิตมีความฟุ้งซ่านทำไมมีทั้งตัณหามีทั้งความฟุ้งซ่านตัณหาเป็นกิเลสเป็นตะกูลโลภะโลภะจะเกิดไม่ได้นะถ้าไม่เกิดร่วมกับโมหะ ยิ่งโลภะคือตัณหาเกิดขึ้นได้เนี่ยยังเกิดร่วมกับโมหะคือความฟุ้งซ่านยิ่นนะั้นปกติสังเกตดูอย่าเวลามีโทสะจิตก็ฟุง้งซ่านใช่ไหมจิตตั้งมั่นไม่เวลามีโทสะก็ไม่ตั้งใช่ไหมเวลาจิตมีราคาจิตก็ฟุง้งซ่านนะยินมีราคาขึ้นมาก็เที่ยวเดินดูสาวสว ย, สวยๆอะไรเนี่ยจิตก็ฟุง้งซ่านเนี่ยเราค่อยรู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตที่มันฟุ้งไป จิตมัจะตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นนี่เราได้สมาธิแลตัวตนี้สําคัญมากเลยนักปฏิบัติมีมากมายนะแต่ว่ามันไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเกือบทั้งหมดเลยนะสมัยก่อนนะมายุค ข, ของเราเนี่ยหลวงพ่อเทศ น, นาแจกแจงสภาวธรรมละเอียดยิบเลยเรื่องของสมาธิเรื่องของอะไรเนี่ยคนที่จิตตั้งมั่น ตื่นที่เรางพ่อว่าจิตมันตื่นจิตมันถึงฐานจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวจิตไม่ส่งออกนอกเลยเนี่ยมีนับจํานวนไม่ท้วนละแต่ถามว่าตั้งตรงไหนตอบไม่ได้นะว่าตั้งที่ไหนไม่ได้ตั้งตรงไหนไรู้สึกตัวอยู่ใจไม่ได้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาดูนะถ้าใจไหลไปดูก็มีสติรู้ทันว่าใจมันไหลไปดูปุ๊บกลับมาตั้งมั่นแต่พวกเราหัดใหม่ๆยังทําไม่ได้ พวเราหัดใหม่ๆเนี่ยนะพอเรารู้ว่าใจเราไหลไปเนี่ยเราจะไปดึงคืนมาพอดึงคืนมาปุ๊บนิ้มจะแน่นเลยใจเป็นมีสภาวะสามอันที่ต่อกันอันแรกจิตหลงไปเช่นหลงไปดูหรือหลงไปคิดอย่างงี้หลงไปฟังจิตมันหลงไปอันที่หนึ่งอันที่สองรู้ว่าจิตส อ, อกนอกรู้ว่าจิตหลงไปแล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนไปแล้วอันนี้คือภาวะแห่งการรู้ที่แท้จริงแวบเดียวเท่านั้นเองสั้นนิดเดียว จิตจะเกิดสมาธิขึ้นมาช่วขณะนะเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิาธช่วขณะเท่านั้นเองไม่ทรงนานแวบเดียวถัดจากนั้นนะเราจะกลัวว่ามันจะไหลไปอีกไปดึงไว้หรือคิดว่ากลาลังไหลออกไปอยู่้ายนอกก็ดึงคืนนะใครเคยเห็นจิตออกนอกยกมือซิมีไหมจิตที่เคลื่อนไปในี่ใครเห็นบ้างนีเยอะเลย เราเห็นไหมว่าตอนที่เคลื่อนไปพอเรารู้เราไปดึงคืนใครดึงคืนบ้านงะก็อย่างเยอะนะในะครหัดนะต่อไปไม่ดึงหรอกทําไมเราดึงคืนเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิซ่อนอยู่ในใจเราเราคี่ว่าจิตมีดวงเดียวนะจิตตอนนี้หนีไปทางตาหนีไปดูรูปแนละ้วพอเรารู้ทันต้องไปเอาคืนจิตตอนนี้หนีไปทางหูไปฟังเสียงพอเรารู้ทันต้องไปเอาคืน จตตอนนี้หนีไปคิดรู้ทันว่าหนีไปคิดนะก็ไปเอาคืนดึงคืนมาไปวาดภาพจิตเหมือนแมงมุมแมงมุมพอมีอะไรมากระทบใหญ่ทางข้างเหนือนข้างบนแมงมุมก็วิ่งไปไปกินอะไรน ะ, ะวิ่งกลับมาตัวตรงกลางเดี๋ยวก็วิ่งไปข้างซ้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปข้างขวาเดี๋ยวก็ลงข้างล่างเราไปวาดภาพจิตเราเหมือนตัวแมงมุมนะเราคิดว่าจิตนี้มีตัวมีตนจริงๆในความจริงนะจิต เกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาไม่ต้องวิ่งคืนมาจิตเกิดที่หูดับลงที่หูนะไม่ต้องไปเอาคืนจิตนี้ไปคิดก็ไปเกิดทางใจไหลไปคิดก็รู้ว่ามันไหลไปคิดนะไม่ต้องไปดึงคืนแต่ห้ามไม่ได้โดยธรรมชาติเนี่ยจะเอาคืนทุกคนอนะ่นะเพราะอย่างรักอย่างห่วงแหนว่าจิตนี้เป็นตัวเราอยู่นะเห็นว่าจิตคือตัวเราแล้วเห็นว่าจิตเนี่ยเที่ยงจิตมีดวงเดียว เมื่อค่อยภาวนาไปเรื่อยเราจะพบว่าอะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับลงที่หูจิตเกิดที่ใจแล้วดับลงที่ใจจิตมีนับไม่ถ้วนเ ร, เรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์นนวิญญาณกับจิตเป็นอนั น, อนดเดียวกันเรียกหลายชื่อเท่านั้นเองวิญญาณเป็นอนันต์คือมีนับไม่ท้วนไม่มีที่สิ้นสุดเลยเกิดดับไปเรื่อยๆงั้นไม่ต้องไปห่วงแหงนถะ้าใช้หลักอันนี้รู้หลักอันนี้แล้วการปฏิบัติจะง่ายขึ้น อันแรกเลยเวลาจิตมันไหลไปเราจะไม่ดึงคืนมันจะไม่แน่นถ้าไปดึงคืนมามันจะแน่นหนักหนักแน่นแ่นอยู่กลางหน้าอกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งถ้าต่อไปแนะ่ใจมันจะเป็นกลางง่ายอย่างเวลาจิตมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเราเราก็ไม่ต้องทํำอะไรนะเราแค่รู้จิตที่มีความสุขก็ดับเกิดจิตอุเบกขาตรงสุขเนี่ยงไม่เท่าไหร่ตรงจิตที่มีความทุกข์เนี่ย ถ้าจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นหรือจิตมีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยนักปฏิบัติจะทุรนทุนทนรายนะไม่ชอบเลยนะยิ่งนักปฏิบัติเนี่ยเห็นกิเลสแล้วเกลียดอยากให้มันดับไปเร็วๆนะหาทางดับจิตที่มีโทสะเนี่ยวเวลามีความโกรธเกิดขึ้นอยากหายโกรธพวกเราใครเป็นบ้างเวลาโกรธแล้วอยากให้หายเวลาเครียดแล้วอยากให้หายมีไหมอยากไหมทําไมต้องอยากหายเพราะเราไม่รู้ว่าจิตน่ะเกิดดับ E. เราไม่ต้องไปหาทางแก้ไขจิตที่โกรธเลยทันทีที่มีจิตที่โกรธเกิดขึ้นนะแล้วก็เราเกิด ส, สติระลึกได้ว่าตอนนี้จิตโกรธในขณะที่ระลึกนั่น่ะมันเกิดจิตดวงใหม่ละมันเกิดจิตรู้ขึ้นมาละจิตโกรธนั่นดับโดยอัตโนมัติเลยเพราะจิตเกิดได้ทีละดวงเดียวทันทีที่จิตรู้เกิดเนี่ยจิตหลงก็ดับไปจิตโลภก็ดับไปจิตโกรธก็ดับไปกิดเป็นจิตรู้ขึ้นมา ฉนั้นมันจะถ้าเราเข้าใจความจริงนะว่าจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเราจะไม่กังวลเลยว่าจะต้องคอยแก้ไขจิตจิตไม่ดีหนูจะแก้ยังไงเนี่ยชอบถามจิตหนูฟุ้งซ่านหนูจะแก้ยังไงจิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตที่ชั่วก็ไม่เที่ยงจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตชนิดใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะ จะทำเมื่อไร่ที่เราเห็นเนี่ยต่อไปนะจิตสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ดับไปมันดับไปเมื่อเกิดจิตที่เป็นจิตรู้บ้างจิตหลงบ้างอาจจะเป็นจิตโลภจิตโกรธอะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมถ้าเราเฝ้ารู้ดูบ่อยๆนะมีความเข้าใจขึ้นมาโอ้จิตไม่ได้มีดวงเดียวเราเกิดดับตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นจิตที่ดี เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปรักษามันไม่ได้คิดจะรักษานะเขารู้ว่ารักษาไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดับจิตชั่วเกิดขึ้นมาหรือจิตทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ไปเกลียดมันรู้ว่ามันเดี๋ยวก็ดับไม่ต้องหาทางแก้พวกเราใครยังเจอสภาวะธรรมแล้วยังแก้พ้างมีไหมถ้าไม่แก้ก็รักษามีสองอย่างนะถ้าเจอของดีเจอสุขนะเจอดีก็รักษาเจอชั่วเจอทุกข์นะก็าหาทางละเสียหาทางแก้ ตัวเนี้ยเพราะว่าปัญญาเรายังไม่แก่รอบถ้าปัญญาเราแก่รอบจริงๆเราจะไม่ต้องไปแก้ไขเราจะไม่ต้องไปรักษาจะไปแก้ไขมันทำไมมันของเกิดแล้วก็ดับนะจะไปรักษามันทำไมมันของเกิดแล้วก็ดับงั้นการที่เราเจริญปัญญามากๆนะต่อไปใจเราจะหมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนเลยนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปตะครุบไว้ไม่เข้าไปรักษาไว้นะไม่เข้าไปผลักใสไล่สงไม่เข้าไปต่อต้าน ใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางเนี่ยค่อยฝึกมากเข้ามากเข้านะสุดท้ายใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางที่ฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยน ะ, จะเจริญปัญญาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งนะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางนะความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่มีความดิ้นรนที่ตัณหาไม่เกิดไม่ได้อยากให้ความสุขอยู่นา น, น, น เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นนะใจก็ไม่ดิ้นรนนะตัณหาไม่เกิดไม่ได้อยากให้มันหายไปเร็วๆใจที่ปราศจากตัณหาเนี่ยมันปราศจากการดิ้นรนเนี่ยนะจะเข้าถึงสันติสุขต้องเข้าด้วยปัญญานะถ้าเข้าด้วยการบังคับตัวเองด้วยอะไรตัวเองนะไม่ได้กินหรอกถ้ามีปัญญาแก่คล้าขึ้นไปเรื่อยๆเห็นเลยจิตเองก็เกิดดับจิตเองก็เกิดดับอยู่ เห็นได้อย่างนี้ก็จะรู้เลยว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรหรอกะตัวเราแท้ๆไม่มีหรอกแต่ถ้าปูถุชนนะดูลงมาในเนี้ยจะรู้สึกว่ามีเราซ่อนอยู่คนหนึ่งใครยังรู้สึกว่ามีเราอยู่บ้างยกมือสิวันนี้ทำไมให้ยกมือบ่อยหน้าต่าง้วงง่วงนะฟังธรรมะโอ้ยตาริบรีริบ ด, ด, บดีถ้าลองให้คุยเล่นสิตาโตนะ สมัยพุทธกาลนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์ที่เทศจนดึกๆึกพระนั่งฟังไม่ง่วงไม่หลับแล้วรู้สึกธรรมะเนี่ยอรอร่อยสนุกสนานร่าเริงธรรมะที่พระเจ้าเทศนะ์นะไม่ใช่ฟังแล้วง่อยๆนะท่านฟังฟังธรรมะที่พระเจ้าเทศน์แล้วจะร่าเริงใจในลนักษณะการเทศของพระเจ้าอันหนึงนะ่งการเทศของท่านอันแรกเลย ท่านจะชี้ให้ดูชี้ให้ดูสภาวะต่างๆสภาวะแต่และอย่างเป็นยังไงอะไรต่ออะไรสอนสอนเสร็จแล้วก็ชว น, นชวนให้ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วถ้ามีปัญหาหรือท้อแท้อะไรอย่างี้นะหมดกำลังใจจะปฏิบัตินะท่านก็แก้ให้นะนะปลุกใจถ้าคนไหนดีแล้วนะท่านก็เล้านะ เ, เรงราวให้ขยันภาคเพียรหนักขึ้นไปอีกให้ร่าเริงในธรรมะร่าเริงในธรรมะจะขยันปฏิบัติงั้ถ้าฟังทำรรเราง่อยๆนะสแสดงว่าอันแรกบา ร, รมีไม่ถึงอันที่สองคนเทศเนี่ยถ่ายทอดธรรมะได้ไม่ดีฟังเราหลับเป็นแท้วเลยแต่ธรรมะของพระเจ้าฟังลราสดชื่นฟังเราร่าเริงใจไม่ฟังเราง่อยหรอก ฟังแล้วมีกําลังใจฟังเราวพึกเขิมที่จะปฏิบัติฝั่งเราอยากปฏิบัติฟังเรารู้วิธีปฏิบัติเนี่ยธรรมะที่ดีหลวงปู่ดุลสอนละเอยดวันนั้นเองนะท่า น, นบอกว่าการแสดงธรรมแต่ละครั้งนะไม่รู้ท่านสอนทําไมนะแต่นั้นเราเป็นคารวาสการแสดงธรรมแต่ละครั้งต้องได้อัตถรสนะทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทว่า อ, อย่างนี้นะอย่างนี้ถึงจะดีที่สุด ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วพวกเราคอยสังเกตใจของเรานะใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเรามีใจที่อยู่กันเนื้อกับตัวก่อนถ้าจิตใจเราไม่อยู่กันเนื้อกับตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ไม่รู้หรอกเราลืมมันจิตใจเคลื่อนไหวมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นนะเพราะเราลืมมันเงั้นเราต้องพยายามมาฝึกเลยอันแรกเลยต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัว อันนี้แหละเป็นบทเรียนที่พระเจ้าเรียกว่าจิตศิกขาอาธิตย์จิตศิกขามีคําว่าอาทิด้วยอาธิศีลศิกขาฝึกแล้วจะเกิดศีลอันยิ่งยังไงอาธิจิตสิกขาจะเกิดจิตอันยิ่งยังไงจิตอันยิ่งก็คือจิตรู้นี่เองจิตรู้เนี่ยมันยิ่งกว่าจิตชนิดอื่นชนิดอื่นเป็นจิตหลงทั้งหมดอ่ะก็มาฝึกให้เกิดจิตอันยิ่งก็คือจิตที่รู้ขึ้นมา อธิปัญญาสิกขาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปน้ำไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดอาก็เป็นปัญญาทั่วๆไปไม่ถึงขั้นอาินะอธิเนีต้องยิ่งใหญ่หน่อยอธิปัญญาน็เห็นไตรลักษณ์ของรูปของน้ำอธิศีนก็เป็นศีนาตโนมัตินะมันมีฮิริมีโอตปะประจำใจอยู่มีสติพุ้มครองรักษาจิตอยู่ศีนาตนมัติจะเกิด นะอย่างพวกเทวดาเนี่ยศีลเ้าบริบูรณ์ศีลเ้างามส่วนใหญ่นะถ้าศีลดังพลอยอจิตดังพลอยอะไรก็ตายเร็วนะอย่างพวกเราค่อยๆฝึกไปนะมีสติเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นไหมว่าเคลื่อนไหวไม่รู้สึกแล้วนั่งพัดพัดใจลอยพัดพั ด, พดใจลอยอีกพวกหนึ่งรู้สึกรู้สึก อย่างนี้ไม่ได้ว่ารู้สึกนะยิ่งบังคับตัวเองมากไปรู้สึกนี่ธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยธรรมดาที่สุดน่ะดีที่สุดนะเราะฉนั้นบางทีหลวงพ่อสอนพวกที่ติดการปรุงแต่งนักปฏิบัติเนี่ยแะนักปรุงแต่งชั้นดีเลยชอบแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะชอบแต่งจิตให้นิ่งนิ่งชอบแต่งจิตให้ว่างว่างชอบแต่งจิตให้สว่างชอบแต่งจิตให้กว้างกว้างอะไรอย่างนี้นะ ชอบแต่งจิตให้ซึมๆเนี่ยแต่งเอาเท่านั้นะถ้าเจอพวกแต่งมากๆเนี่ยบอกให้เลิกไปก่อนเริ่มต้นใหม่ไปแต่งมันรู้สึกเอาใหม่ค่อรู้สึกเอารู้สึกเอายังบอกเลยว่าจิตที่ดีที่สุดนะคือจิตตอนเด็กๆจิตของเด็กเนี่ยนะเป็นจิตที่เหมาะแก่การภาวนามากที่สุดเลยจิตของผู้ใหญ่ลวดลายมากไปจิตของเด็กนะกระทบอารมณ์ที่ชอบใจก็ดีใจ กระทบอารมณ์ไม่ชอบใจก็เสียใจเสียใจแล้วก็ไม่มารยานะบางพวกเราโตขึ้นหน่อยเรามานยาเยอะเราไม่พอใจเราก็ยิ้มใช่ไหมเป็นไหมโกรธจะตายแนละ้ยิ้มมารยามากนพะยายามหรือพยายามทําตัวเป็นคนดนะีหลอกตัวเองว่าเป็นคนดีแล้วก็ไปหลอกคนอื่นที่หลวงพ่อว่าเป็นหมูกระดาษเปเปอร์มาเช่ <c oughs> หมูกระดาษใส่หน้ากา ก, ากหลอก นะไม่ใช่ตัวจริงไม่เป็นเด็กหรอกเด็กพอใจก็หัวเราะเลยไม่พอใจก็ร้องไห้เลยแต่อันนี้ไม่ได้ให้เรียนพฤติกรรมทางกายของเด็กนะมันน่ากเกลียดพฤติกรรมทางกายของเด็กนะเราเราเรียนพฤติกรรมทางใจของเด็กนะเด็กเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดความรู้สึกทางใจอย่างซื่อๆนะไม่เสแสร้งทำเป็นเรียบร้อยหรอกนะ พอใจมันก็พอใจมไม่พอใจมันก็ไม่พอใจมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีโลคมีโกรธมีหลงเป็นธรรมชาติจิตที่จะภาวนาดีนะคือจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดา น, ะนะั่นแหละเวลาเรากระทบอารมณ์แล้วอย่าไปดัดแปลงมันกระทบอารมณ์นี้พอใจรู้ว่าพอใจกระทบอารมณ์นี้ไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจกระทบอารมณ์นี้มีสุขรู้ว่าสุขนะทบอารมณ์นี้ทุกรู้ว่าทุกแต่รู้ซื่อๆเราต mm ่างกับเด็ก hmm. นิดเดียวนะ เหมือนกับเด็กตรงที่ว่ากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วก็ปล่อยให้ใจทำงานไปตามธรรมชาติแต่เราต่างกับเด็กอยู่อย่างเดียวคือเด็กเนี่ยไม่มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองเราปล่อยให้ใจมันทำงานไปตามธรรมชาติแล้วเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงเช่นเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเรากาลังเดินไปกับภรรยาเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาโอ้สวยกว่าเมียเราตั้งเยอะเลยใจมันชอบ ใจมันชอบไม่ต้องเสแสร้งแต่อย่าไปบอกภรรยาต้องรู้จักการศึกษาล้วไม่ใช่เด็กเล็กขนาดที่มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาแบบสงเดชออกมาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสวยกว่าเมียเราอีกใจมันชอบนะรู้ว่าชอบนะอมันต่างกับเด็กตรงที่มันรู้นี่แหละถ้าเด็กมันชอบเดยกมันจะกระโจนเข้าใส่เลยเด็กมันอยากกินขนมมันก็จะโดดเข้าไปใส่ขนมเลยของเราเนี่ยใจมันชอบรู้ว่าชอบน ใจม่เกลียดรู้ว่าเกลียดเราชอบทําตัวเป็นคนดีทุกคนมาเนี่ยเราจะต้องเสมอกันต้องไม่ไ ม, ไม่รักไม่เกลียดอะไรเงี้ยพยายามจะทําอย่างนี้ไอ้นี่เสแสร้งเสแสร้งแกล้งทําบังคับจิตไม่ใช่วิธีดูจิตหรอกวิธีดูจิตก็คือเห็นหน้าคนนี้ชอบรู้ว่าชอบนะเห็นหน้าคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดแต่อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทาอะไรเขาอย่าไปแสดงสีหน้าให้เขาเศร้าหมอง ไปทำจิตของคนอื่นให้เศร้าหมองบาปนะเป็นบาปนะจิตของเขาดีๆอยู่ไปทำเขาเศร้าหมองเนี่ยเป็นบาปนั้นเราพยายามทำจิตของคนอื่นให้เป็นกุศลขึ้นมาได้เราได้บุญด้วยนะงั้นเราคอยดูนะบางทีแมมไปกระทบกระทั่งเขานะถือว่าเรามีเสรีภาพในการพูดอย่างเงี้ยยุคนี้บ้าเสรีภาพมากไป ไม่กลัวบับกวกรรมแล้วมีเสรีภาพในการพูดจะว่าใครก็ว่าเงี้ยรู้ว่าเขาไม่ฟ้องเอาถ้ารู้ว่าเขาจะฟ้องเอาก็ไม่กล้าว่าถ้ารู้ว่าว่าแล้วปลอดภัยนะว่าว่าว่าคนในบ้านบ่อยคนไหนที่เรารู้สึกปลอดภัยนั้นเราจะใส่เต็มที่เลยบางคนใส่เมียนะว่าเมียบางคนก็ว่าสามีโบนอยู่นั่นแหละว่าลูกว่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกปลอดภัย ถ้าเราไม่ทําทําอย่างนั้นจิตของเขาเป็นอกุศลจิตขเขาเศร้าหมองระบาบนะต้องทาจิตเขาให้เป็นกุศลให้ได้นะจิตของเราก็เป็นกุศลด้วยค่อยฝึกเอานะฝึกเอาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มันล่องลอยไปนะอย่าให้เสียเวลาเปล่าจะเคลื่อนไหวไหนไหนก็จะพัดแล้วมันร้อนจะพัดแล้วก็แถมความรู้สึกตัวเข้าไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดู พัดไปแล้วมีความสุขเย็นสบายมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขนี่ได้กําไรหลายต่อนะร่างกายก็สบายจิตใจก็มีความสุขจิตใจก็สบายด้วยนะไม่ใช่พัดนะโมโหหน้าร้อนหรือไม่ร้อนเกินก็หน้าร้อ น, นสิทาไมไม่ไปอยู่ขั้วโลกตอนหน้าหนาวอยากหนาวหนาทำอะไรนะให้กําไรกับชีวิตบ้าง อย่านั่งพัดก็พัดด้วยความรู้สึกตัวได้กําไรชีวิตไม่ใช่ได้แต่เย็นร่างกายนะใจก็มีความสุขไปด้วยใจมีความสุขเรามีสติรู้ไปนะมันจะมีความสุขมากขึ้นได้ได้แต่เราก็จะมีปัญญาขึ้นมานะเห็นว่าความสุขนี่ก็แปรปรวนนะเดี๋ยวพอร้อนๆไม่ได้พัฒนมาความสุขนี่ก็หายไม่เที่ยงหรอกนะจะกินข้าวก็อย่า ก, กินอย่างเดียวเอาอร่อยลิ้นอย่างเดียวนะไม่พ อ, อยังขาดทุนอยู่ กินข้าวไปแล้วก็รู้ทันจิตใจของเราไปด้วยกนะ็ได้กำไรหลายต่อได้กินข้าวด้วยได้อร่อยด้วยนะจะบอกเคล็ดลับให้นะถ้ากินข้าวแบบมีสตินะแต่ไม่ใช่เพ่งนะเพ่งอยอย่างนั้นเหมือนวัวกินหญ้านะเขียวเอื้องนะกินธรรมดานี่แหละแตนะ่ถ้าเรามีสตินี่รสของมันจะชัดมากเลยรสของอาหารจะชัดทำไมชัด เพราะธรรมชาติจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าตอนกินข้าวแล้วใจลอยจะไม่รู้รสชาติของอาหารเลยขาดทุนเลยนะบางคนนะไปตามร้านอาหารที่อร่อยแพงด้วยอร่อยด้วยแล้วก็มีเพลงเปิดให้ฟังด้วยนะมัวไปฟังเพลงหรือมัวไปดูสาวเสิร์ฟอย่างนี้นะกินเข้าไปเนี่ยไม่รู้รสนี่ขาดทุนยับเยินเลยนะอยู่บ้านกินมาม่าดีกว่าไม่มีอะไรแตกต่าง กาดตูนยับเยิยนไม่ได้กินของอร่อยอะไรหรอกนะงั้นถ้าเรามีสตินะแค่กินอาหารเนี่ยอร่อยเคยได้ยินไหมคนโบราณท่านสอนบอกเวลาพระพุทธเจ้าสเสวยพัตตาหารเนี่ยเทวดาเอารถทิพย์มาหยอดให้งั้นท่านจะอร่อยมากกว่าของคนอื่นเพราะบุญบารมีเยอะนะสัมผัสอะไรก็ดีไปหมดเลยฉันอาหารเนี่ยอาหารธรรมดาเนี่แหละตักเหมือนกันนะ่ะ พระอื่นก็ตักอาหารอย่างเดียวกันอย่างเนี้ยหม้อเดียวกันอย่างนาเนี้ยพระพระเจ้าเนี่ยเทวดาเอารถทิพต์มาใส่รถทิพต์มาใส่ท่านมีสติบริบูรณ์นั่นเองนะเวลาลิ้นกระทบรถเนี่ยท่านก็รู้รถของเราลิ้นกระทบรถใจหนีไปคิดที่อื่นอย่างเนี้ยใจไปกระทบธรรมารมอื่นเงันชีวิตเราจะมีคุณค่านะจะได้กําไรร100อเอร์ซนะถ้าเรามีสติเรื่อย ทำอะไรก็พยายามมีสตินะแล้วก็มีสมาธิให้มีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจะพัดก็ได้พัดเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวสติเป็นตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูมันจะรู้สึกเ่ตร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่พัดอยู่กับใจเนี่ยคนละอันกันนะใจเราเป็นคนดูร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้จะกินข้าวจะอาบน้าจะขับถ่ายนะขับถ่ายก็แทนที่จะต้องเปนั่งดมอย่างเดียวนะได้รับความทุกข์ เราก็นั่งพิจารณาของเราไปด้วยนะมีสติตั้งกายนี้ไม่สวยไม่งามหนึ่งจะทาอะไรนะให้มันกําไรไว้กวําไรเยอะๆไว้ต้องค้ากําไรให้มากที่สุดเลยนะเรื่องภาวนาเนี่ยขาดทุนยับเยินเลยหายใจก็หายใจทิ้งเปล่าๆนี่ขาดทุนนะหายใจแล้วก็มีสติกําไรหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายแล้ะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยงั้นทำอะไรนะ ให้มีสติรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจให้มีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทุกๆอย่างที่ทำมาผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกอาเชียนไปกินข้าวไปยกมือไหวเขาไหวให้มันได้อะไรขึ้นมาบ้างเนาะเห็นไหมลอยโท่อยจริงเลยไหวได้กินข้าวละนี่หมดเลยครับ เนี่ยจะเดินมานั่งแถวฉันอาหารก็เดินให้มันได้กำไรเดินมีสติพวกเราเคลื่อนไหวเนี่ยกราบร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ทันมีสติกำไรทั้งนั้นเลย